โอกาสที่เราจะได้ฟังธรรมกันก็ให้น้อมจิตเข้ามาสู่ธรรมกันก็เพื่อการอบรมบา ร, รมีธรรมที่เรามีให้ยิ่งขึ้นหรือว่ามีความแก่กล้าขึ้นไปอีกวันนี้ก็จะนำเรื่องของ พิสุนีรูปหนึ่งชื่อว่านางรูปนันธาเทรีจริงๆเดิมทีนางเองก็ไม่ได้ศรัทธาที่จะบวชในสำนักของพระพุทธเจ้าแต่านางมีความเกี่ยวเนื่องกันว่าเป็นเป็นญาติของพระพุทธเจ้าและก็ใน บรรดาหมู่าตทั้งหลายก็ออกบวชกันเป็นส่วนใหญ่นางก็เลยคิดว่าเอพี่ชายของเราก็ได้ละราชสมบัติออกบวชมาเป็นพระพุทธเจ้าแล้วนะราหุลผู้เป็นหลานชายก็ออกบวชพี่ชายก็ออกบวชแล้วไม่ว่ามรรดาก็ออกบวชหมู่าต ออกบวชกันบมดคิดไปคิดมาเราก็จะบวชเหมือนกันก็คือเอาว่าบวชตามญาติเลยกันก็จจิงไปบวชในสำนักของนางพิสุณีอาศัยว่ามีความความรักความรักในในญาติก็ออกบวชศรัทธาในี่มีน้อยกว่าแล้วก็นางก็ ก็ทราบว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้สันเสริญเกี่ยวกับเรื่องของการหลงในรูปแต่นางรูปนันทาเอรีมีความงดงามมากมีรูปที่สวยหน้าตานี้สวยเาว่านางเชยชมติดอยู่ในรูปของตนเองด้วย นางก็ไม่เคยไปเข้าเฝ้าพระศาสดาเลยก็มีบรรดาพิษุณีด้วยกันญาติมิตรพี่น้องเหล่าพุทธบริษัทก็ไปเฝ้าพระศาสดาฟังธรรมเพราะในระหว่างระหว่างที่ฟังธรรมจบแล้วก็เดินทางก็ได้คุยกันปากันสนธนาว่า พระพุทธเจ้าเราแสดงธรรมช่งางไพเราะในเบื้องต้นในทํากลางในที่สุดก็ฟังอยู่ทุกวันใจก็อดอดไม่ไหวก็มีความใคร่ที่อยากจะฟังเหมือนกันแต่ใจก็ยังกลุกกลัวนะเดี๋ยวไปแล้วพระพุทธเจ้าก็จะแสดงความไม่ยินดีในรูป แต่นางยังยินดีอยู่ก็เลยขันค้านกันอยู่บ้างส่วนหนึ่งในเบื้องต้นแล้วก็ในที่สุดนางก็ตัดสินใจตัดสินใจไปฟังธรรมนางรูปนันทาพิสุทธินีเนี่ยพอได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าแสดงพระธรรมเทศนา ในเรื่องของวิปัสสนากรรมฐานเชื่อมว่านางน้อมจิตตามนะจริงๆพระพุทธเจ้าเราเนี่ยมีมีขายพระยานทราบวาระของสภาวะจิตของแต่ละคนในที่นั่งอย่างเงี้ยถ้าองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคสเสด็จมาพระองค์ทรงทราบไปเลยว่า ใครมีอุปนิสัยอย่างไรใครมีจริตเช่นไรใครมีวาสนาบารมีได้สั่งสมมาอย่างไรเนะี่ยองค์สมเด็จพระผู้มีพระภ า, าคทราบทราบด้วยใขย่พระญาณและก็รู้ว่าใครที่สามารถจะ รับฟังธรรมแล้วก็บรรลุในอริยมรรคอริยผลได้ในบัด น, นี้นี่เป็นสิ่งอัศจรรย์ที่สุดของโลกที่สามารถรู้ว่าวารจิตของผู้นี้ควรแก่การอบรมอย่างไรธรรมะวพเป็นสิ่งสุดยอดนะการได้ เข้าไปรู้ในวาสนาของคนแล้วก็รู้ในเรื่องของกรรมด้วยนะว่าคนนี้รับกรรมอันใดเป็นวิบากที่มีผลอยู่และผลวิบากนั้นจะส่งผลอีกนานเท่าไหร่พระองค์ทรงทราบเนี่ยวิถีแห่งจิตอันบริสุทธิ์หมดจดเนี่ยก็รู้ถึง นางรูปนันธาพิสุณีจริงๆองค์สมเด็จพระพุหมีพระภาคนะได้แส ด, แดงเป็นนิมิตให้นางรูปนันธาพิสุณีได้เห็นได้เห็นสตรีรูปงามใบก็ยังสาวสวยแรกรุ่น ผิวพรนีนิขาวใสผ่องสวยนางรูปนันทานเริ่มมีความสนใจเน้นไหนว่าพระศาสดาไม่ทรงยินดีในเรื่องของรูปสวยแต่ทำไมจึงมีอิสตรีมาบกพัดอยู่ด้านข้างนั่นคือพระพุทธเจา้านั้นแสดงฤทธิ์ให้ นางรูปนันทาเห็นโดยเฉพาะนะนางก็มองเกิดความเอว่าคลั่งใครนะมีความคลั่งใครในรูปสวยมากนางรู้สึกได้ว่าสวยกว่าเราด้วยพระพุทธเจ้าเนรมิตรรูปที่สวยมากแล้วก็สาวรุ่นนางก็มีใจน้อมไปน้อมไปอยู่ในรูปนะ พอน้อมไปน้อมไปน้อมไปรูปนั้นเนี่คยค่อยๆเปลี่ยนไปรูปที่บอกสวยเป็นสาวรุ่นๆเนี่ยรูปก็ค่อยเปลี่ยนเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปนางยินดีพอใจมากในช่วงเริ่มเริ่มต้นนางมองในรูปเนี่ยมองมองมองเข้าไปติดใจในรูป สวยพอใจพอดูไปดูมานิมิตที่เห็นเป็นรูป ง, งามรูปสวยสวยค่อยๆอายุมากขึ้นมีความชราชรามีความแก่โดยลำดับลำดับลำดับลำดับนางรูปนันธาพิสุนี มองไปมองมามองมามองไปเกิดสังเวทนะเกิดสังเวทในจิตขึ้นมาว่ารูปเมื่อสักครู่เนี่ยสวยมากแต่ฉไหนบัดนี้รูปนี้กลายเป็นหญิงชาราผมขาวหลังโกองทำไมเป็นอย่างนี้ เนื้อหนังที่แต่งตึงสวยงดงามเขียวย่นนางรู้สึกสัมผัสได้เลยว่ารูปนี้ไม่เจรังร่างนี้ไม่มีแก่นสารพอพระพุทธเจ้าทราบโดยขายว่าบัด น, นี้นางรูปนันธาพิสุนีเนี่ยได้มีวิถีจิต อันดำริอยู่ภายในที่ไม่ติดอยู่ในเรื่องของโอคะในกามโอคะความกำหนัดยินดีอยู่ในรูปองค์สมเด็จพระพุ้มีพระภาคแสดงในเรื่องของรูปเบทธนาสัญญาสังขารวิญญาณจนถึงแสดงให้เห็นในไตรลักษณ์ในอนิจจังทุกขังอนัตตา เชื่อไม่ว่าญาณแห่งวิปัสนาญาณ น, นางรูปนันธาพิสุนีสามารถปฏิบัติตามธรรมที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคได้ น, น้อมแสดงนางก็เอาจิตน้อมตามเลยนะซึ่งนางไม่ติดในรูปแล้วเพราะเห็นว่ารูปนี้นางเกิดความฉลดเลยนะลด ก็น้อมตามน้อมตามน้อมตามสกยตทิฏฐิไอความมั่นหมายว่ารูปนี้เที่ยงหรือว่าตัวตนของเรานี้มันมันสวยถูกทำลายลงไปความสงสัยหมดลงเลยนางได้ในความเป็นพระโสดาบัตในเบื้องต้น แล้วก็ยิ่งเจริญในวิปัสสนาจนถึงคำว่าสุญญะตะกรรมฐานให้เจริญยิ่งขึ้นไปเชื่อไหมว่าในที่สุดนางสามารถกำหนดจิตได้กำหนดรูปกายได้กำหนดเบธนาสัญญาสังขารบิญญาณได้ว่าเป็นอนิจจังทุกขงังอนัตตา ไม่มีแก่นสารไม่มีสาระไม่มีประมาณที่เราแม้แต่ยึดในสรีระนี้เพียงน้อยเห็นหจากคนที่แบบมาแบบมั่นหมายปรากฏว่าพอวิปัสสนาญาณเกิดก็มองเห็นว่าสรีระของเราเนี่ยในกระดูกท่อนน้อยใหญ่มารวมกันมาต่อกันดูแล้วมันเป็นโครงกระดูกแท้ๆเลย ไม่มีแก่นสารที่เราจะมาหลงมาพอใจมาติดมายึดแสดงว่าธรรมของพระพุทธเจ้าไม่ธรรมดาทอดลึกลงสู่ใจของนางรูปทันธา พ, พิสุนีนางก็เลยรู้ว่าสรีระนี้ฉาบพาเป็นด้วยเนื้อเลือด มีเอ็นใหญ่น้อยรึงรัดอยู่เอาหนังปกคลุมคุ้มหอไว้กมตกแต่งให้เป็นเมืองกระดูกแท้ความแก่ความตายความถือตัวความลบหลูและอาพาธทางกายทางใจตั้งลงในสรีระนี้ไม่มีอะไรสักนิดหนึ่งที่ควรจะถือเอาได้จากสรีระนี้ เลยเป็นคำจบที่ไพเราะมากนางรูปนันธานพิสุณีได้เจริญวิปัสสนากรรมฐานต่อไปอีกไม่ช้าไม่นานก็ได้สำเร็จเป็นพระอารหันต์มีจิตอันกเกษมจากโยคะที่เรารู้โยคะสี่คืออยู่ปราศจาก กรามกรามโยคะความจมอยู่ในกาลภวะโยคะจมอยู่ในภพที่เรายินดียินร้ายอยู่ทิฏฐิโยคะจมอยู่ในความเห็นอันเป็นอวิชชาในความไม่รู้ตรงนี้สําคัญทิฏฐิคือความถือเห็นวิวและพอมาถึงตัวอวิชชายโยคะ คือความไม่รู้ในเรื่องของอริยสัจวันนี้ทุกนี่เหตุของทุก์และความดับพร้อมทั้งการดำเนินก้าวออกจากความทุกขนั้นเสียพอนังได้ข้ามพ้นในโอคะสีทุกอย่างก็ไม่มีอะไรเป็นวงคลอันสูงสุด แดดจิตของผู้ได้ข้ามพ้นออกจากวังวนในสังสารวัฏที่เราติดเป็นอยู่ฉะนั้นหลายๆคนจริงๆเริ่มต้นทุกคนก็มีความยินดียินร้ายอยู่นะเราเราไม่ว่ากันนะทุกคนมีมีกันหมดแม้แต่เจ้าชายสิท ธ, ธัตถะ ออกบวชแล้วก็ยังมีแต่ว่าการสแสวงหาที่สุดก็คือสแสวงหาความดับมิได้สแสวงหาความเกิดเห็นมโยมเราฟังล่ะจิตน้อมฟังองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้สแสวงหาความดับในเอเนกอนันตชาต จนถึงได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแต่ของพวกเราเนะี่ยได้ความเกิดมาแล้วก็สแสวงหาความเกิดโธ่เอยคิดว่าอะไรสรุรว่าเราสแสวงหาความเกิดไปสู่ความเกิดแฮปปี้เบิร์ a เดย์มันไม่เบิร์ดเดย์แล้วแต่เา ความเกิดตรมาได้เห็นทำข้อหนึ่งและเห็นจริงๆนะว่าบรรดาเหล่าพระอริยเจ้าและผู้ที่ได้อบรมสติปัฏฐานหรือได้เจริญวิปัสสนาแล้วเนี่ยท่านจะไม่แสวงหาความเกิดให้ยิ่งไปกว่าความดับท่านจึงขนขววยต้องใช้ว่า ขวนขวายเรื่องของการเจริญอบรมจิตตะภาวนาการเจริญในเรื่องศีลสมาธิปัญญาพราะท่านรู้ว่าทางที่ท่านดำเนินอยู่นี่แหละขนทางแห่งความดับอย่างน้อยคือความดับทุกข์โทษก็จะไม่มี โทษก็จะไม่เกิดภัยจะไม่มีภัยจะไม่เกิดและความเกิดจะไม่มีความเกิดก็จะไม่เกิดฉะนั้นใครก็ตามที่ยังสแสวงหาโลกคือมูดสัตว์ก็คือการสแสวงหาความเกิดและความเกิดของสรรพสิ่งที่เราเห็นอยู่ในชีวิตที่มีต่อกันมันมีสภาพทุกข์ไม่ใช่มีสภาพสุข อย่างที่เราเคยฟังอยู่บ่อยๆทำไมต้องดื่มต้องกินทำไมต้องหลับนอนทำไมต้องเปลี่ยนผ่อนคลายในอิริยาบถน้อยใหญ่ก็เพราะสภาพชีวิตมันเป็นสภาพที่ทุกข์ทนยากและก็ไม่เที่ยงตั้งอยู่ไม่ได้นานมีความแตกดับและเสื่อมสลายผุพังในที่สุด เป็นบทสรุปที่ผู้เจริญวิปัสสนาแล้วเนี่ยิจิกิจฉาความลังเลสงสัยในข้อสเนี่ยดับไปเลยไม่มีความสงสัยและความอะไรอววรในจิตภายในจิตที่เราได้ใช้ชีวิตและจิตที่ได้สัมผัสอารมณ์จิตที่รู้อารมณ์อย่างเมื่อเช้าตอนที่ส่งน้ำ คำมันก็ปรากฏขึ้นมาบอกเออธรรมชาติของจิตที่ไม่ถูกปรุงแต่งย่อมเป็นอิสระอยู่เหนือทุกทั้งปวงเออใช่นะ่ะอาบน้ำส่งน้ำธรร ม, มะมันก็เกิดมันไม่ใช่ว่าเกิดเฉพาะที่เราจะต้อง อยู่ในอิริยาบทไหนในีิริยาบทหนึ่งไม่ใช่ธรรมะก็เป็นอิสระปัญญาก็เป็นอิสระสติมันก็เป็นอิสระเพียงแต่ว่าธทรรมนั้นมากระทบสัมผัสสัมภาพใจที่รู้เมื่อไรหรือญาณอันเกิดความรู้ขึ้นภายในเมื่อไร ทมก็ปรากฏที่เรียกว่ามีธรรมเอกปรากฏถ้าเกิดอย่างนี้เราจะไม่ประมาทจริงโยมนั่งอยู่ไหนพระคุณเจ้านั่งอยุ่ไหนแม่ชีนั่งอยู่ไหนถ้าใจมีธรรมปรากฏอยู่นะนั่นแหละการปฏิบัติธรรมที่สูงสุดเพราะนั่งอยู่ด้วยสติล้วนๆนนะสติจริงๆ สัมปชัญญะที่รู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้กายด้วยรู้วาจารู้ใจรู้ถึงการเกิดในขณะจิตที่ปรุงแต่หรือจิตที่ไม่ปรุงแต่ไม่ใช่ว่าเราจะรู้เฉพาะจิตที่สงบไม่ใช่นะหรือจิตที่ขณะรับอารมณ์ หรือขนาะนที่ปรุงแต่งจิตภายในจิตสติของเรานั้นต้องตื่นที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคได้แสดงว่าตื่นดีแล้วเสมอตื่นอยู่ทุกเมื่อไม่ว่ากลางวันหรือว่ากลางคืนอยู่อย่างผู้ตื่นคือไม่ถูก วังวนแห่งโอะจมลงไปไม่จมไปในกามไม่จมไปในความถือตัวทิฏฐิไม่จมไปในความไม่รู้ในอริยสัจและก็ไม่ได้จมอยู่กับพบที่เราเกิดอยู่ฉะนั้นเราสัมผัสอะไรไม่ได้หมายถึงว่าเราจะต้องยึดถือสิ่งนั้นเอาอย่างโยมใส่เสื้อผ้า ยมยึดถือเสื้อผ้าหรือเสื้อผ้าเป็นเพียงเครื่องนุ่มขมให้เราพ้นจากความหนาวความร้อนปกปิดเอาไว้ว่าน้อยใหญ่เพื่อไม่ให้เกิดความละอายยังยมใส่เอาว่าเราใส่เครื่องประดับภายนอกเขาบอกสวยแต่ใจเราก็รู้ว่า นี่มันเป็นเพียงฐานะสังคมที่เรามีอยู่แต่จริงๆแล้วลึกๆมันก็คือวัตถุชิ้นหนึ่งไม่ว่าสิ่งนั้นจะเรียกว่าเพชรมันก็คือแร่ธาตุชนิดหนึ่งที่แข็งแกรงที่มีความเงา ง, งามวมื่อถูกเจริในพลอยทองคำเงินหรืออะไรก็ได้ แม้แต่เม็ดลูกเดือยจะมายังเคยเอามาเล่นเลยเอามาร้อยใส่คอเชียกกล้วยยังเคยเอามาใส่แขวนเอาก้อนดินมัดใส่คอเลยมันก็ดูดีอ่ะมันก็ดูดีอีกแบบหนึ่งแบบสไตล์เด็กๆ เ, เล่นกันพอถึงเวลาก็ถอดออกก็จบ เช่นตมานเน้นอยู่บ่อยว่าเราอย่าไปติดสมมุติมากเกินถ้าเราติดสมมุติมากเราจะไม่รู้ว่าจิตที่จะวีมุติมันชุดลงไปเหมือนคนลงน้ำยมนึกภาพนะกระโดดแรกๆใหม่ๆก็สนุกสนานเย็นดีนะโอ้เล่นกันสนุกพอเล่นไปนานๆนานๆเข้า เล่นไม่เลิกอ ะ, อะไรเกิดขึ้นความหนาวตะคิวไม่สนุกเลยนะมันเป็นทุกข์เลยนะอะไรก็ตามที่มันนานเกินมันเป็นทุกข์ไปกำหนดดูคำนี้อะไรก็ตามที่เราเล่นไม่เลิกมันเป็นทุกข์หมดแม้แต่กินไม่เลิกก็เป็นทุกข์ นอนไม่เลิกก็เป็นทุกข์เดินไม่เลิกก็เป็นทุกข์นั่งไม่เลิกก็เป็นทุกข์ทุกอย่างถ้าร้วนหนาวก็ขึ้นมาเสียพอแล้วมันเกินไปฉะนั้นสิ่งที่เราเรียนธรรมะไม่ให้มันเกินไปเข้าใจหมสรุปงีไม่ให้เกินไปมันคำว่าพอเพียงคำว่าพอเพียงเนี่ย เขาเรียกว่ารู้คำว่าประมาณการรู้ประมาณฉะนั้นคนที่รู้ประมาณนั่นแหละคือคนที่มีอิสระเราจะใช้แบบไหนเราก็รู้ประมาณจบเลยวันนี้ทัยยมได้ธรรมะคําว่าเรารู้ตัวเราและรู้โดยประมาณว่าเราควรคิดควรทําควรพูด กิจขณะปรุงแต่งถ้ารู้ประมาณแล้วก็ไม่วุ่นวายอย่างโยมมาดูเรื่องของโลกธรทมมีสุขมีทุกข์โลกที่จะมาบอกสมมเป็นสิ่งคู่กันมีมืดสว่างมียศเสื่อมยศมีลาบเสื่อมลาบมีสันเชิญมีนินทามีกลางคืนกลางวันมีร้อนมีหนาว มันคู่กันหมดมีเตี้ยมีสูงมีดำมีขาวมีอ้วนมีผอมและก็มีได้และก็มีจากมันเป็นศัจธรรมข้อหนึ่งที่เราทุกคนต้องรู้ถ้ายมไม่เรียนรู้ศัจธรรมข้อนี้ชีวิตเราจะสับสนเพราะเราไม่ได้อะไร ที่เป็นฝ่ายเดียวตั้งแต่เริ่มเกิดจนถึงตายแต่มาบอกยมจะไม่ได้ผมสีดำตลอดใช้ไประยะหนึ่งมันก็มีขาวหนังที่แต่งตึงยมจะไม่ได้มันตลอดณนะอีกเวลาหนึ่งมันก็เขียวยน่นสายตาที่ว่ามองไกลสว่างอีกเวลาหนึ่งสายตานี้ก็จะฟ้าฝ่าง ดีไม่ดีถูกแสงไม่ได้เจ็บปวดถ้าเราเข้าใจเนี่ยนี่แหละคือทำอย่างไรจิตที่เราใช้อยู่เนี่ยไม่ปรุงแต่งมากเกินจับคำนี้ด้วยทำอย่างไรเมื่อเราใช้ไปใช้ไปใช้ไปเนี่ยพอเราเข้าใจชีวิตเราจะไม่ปรุงแต่งมากเกิน สังเกตดูเวลาคนที่เขาพรุงแต่งมากๆหลงมากๆอะไรก็ยอมไม่ได้อะไรก็วางไม่ได้อะไรๆก็รู้สึกรับไม่ได้ก็จึงว่าใจดวงนี้มันเป็นทิฏฐิทิฏฐิทิฏฐิโยคะความเห็นของตัวเอง ว่าจะต้องเป็นจะต้องได้จะต้องมีจะต้องไม่ใช่ตัมมายังเคยบอกว่าแม้ภาพวาดยังไม่ได้ดั่งใจเลยลบแล้วลบอีกเขียนแล้วเขียนอีกวาดแล้ววาดอีกนั่นขนาดภาพวาดซึ่งก็ให้เราทาตามอิสระเลยพอมาสู่ บนเส้นทางถนนชีวิตจริงๆนะโอ้โหรถมันติดจังเลยเห็นไหมขนาดว่าขับระวังระวังก็จะชนอยู่แล้วไม่พวกชนก็ชนพวกบ่เดี๋ยวอุบัติเหตุบ่มันก็เกิดอยู่เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆฉะนั้นเราจะทำอย่างไร จิตที่รู้เนี่ยจะไม่ถูกปรุงแต่งมากเกินตรรมเออธรรมชาติของจิตที่ไม่ถูกปรุงแต่งอยู่เหนือทุกทั้งปวงอโยมไปกําหนดนะพอตรมาบรรยายจบกําหนดคํานี้ว่าจิตที่เป็นธรรมชาติไม่ถูกปรุงแต่งอยู่เหนือทุกทั้งปวง ทำไมความรักบางครั้งจึงมีทุกข์ทำไมจึงมีความเสียใจทำไมในความรักต้องมีน้ำตาด้วยหรือจะมาสงสัยเคยถามถามโยมในความรักมันต้องมีน้ำตาด้วยหรือหรือมันเป็นหุ้นส่วนด้วยและในความรักจะต้องมีคาว่าเสียใจด้วยไหม ในความรักมันมีความห่วงด้วยไหมในความรักมันมีความหวานไหมหรือมีความขมหรือมีความเผ็ดร้อนหรือแล้วก็หรือหรืออะไรก็ได้เห็นไหมแต่ตะมาสรุปให้ฟังว่าในความรักแท้จริงมันคือความเข้าใจซึ่งกันและกันเมื่อไหร่ความเข้าใจไม่มีความรัก จะถูกทำลายแล้วก็ไม่ตั้งอยู่ในที่สุดแต่เมื่อไรความเข้าใจยังมีต่อกันและใช้นั่นแหละความรักที่ยังเอื้ออาทรที่ยังอ่อนโยนอ่อนหวานและเป็นมิตรที่ดีที่สุดและเป็นทุกอย่างให้กับดวงใจด้วยนะ จึงหลายคนรู้สึกอยากได้ความรักจากคนนั้นความรักจากคนนี้แต่ไม่เข้าใจกันแล้วสิ่งนี้มันก็ไม่มีเห็นไหมโยมของพวกเราในความรักมันมีน้ำตาด้วยบางทีก็ตกใจบางทีก็แค้นใจ บางทีก็ผิดหวังธรรมาเคยถามรักแท้คืออะไรแล้วรักแท้นี้ถ้าถูกอีกฝ่ายหนึ่งเขาปฏิเสธรักแท้มันยังเป็นอยู่ไหมรักแท้ถ้าถูกอีกคนหนึ่งเขาเขาทำร้ายจิตใจมันยังเป็นรักแท้ได้ไหมธรรมาบอกไม่ใช่ ความรักมันต้องยืนอยู่บนความเข้าใจเป็นคําสรุปและไปเติมเองเพราะสิ่งนี้มันต้องถูกสร้างจากความเข้าใจกันด้วยจึงเกิดความรักขึ้นมันต้องมีแต่เรื่องความมีสเสน่หามันมีได้เดี๋ยวเดียวไม่นานแต่ความเข้าใจมันเป็นทุกอย่างให้กับครอบครัวให้กับเพื่อน ให้กับการงานทุกอย่างฉะนั้นเราเองเจะเริญนวิปัสสนากรรมาฐานแล้วเนี่ยโยมต้องฝึกหยุดใจตัวเองไม่ใช่หยุดหายใจหยุดใจที่มันฟ úng ุ้งซ่านอะไรที่มันมากไปกำหนดใหม่ใจที่มันส่งมากเกินออกไปมากเกิน มันไม่มีกำลังนะจิตมันไม่มีกำลังจิตไม่มีพลังและอานาจของจิตก็ไม่มีด้วยแต่ถ้าจิตของใครนะที่ไม่ส่งออกตามาบอกจิตนั้นมีอนุภาพสูงมากเขาอยู่ด้วยความนิ่งสงบปลดปล่อยวาง และไม่ถูกปรุงแต่งไปในกิเลสน้อยใหญ่กินเนี่ยไม่นานจะเกิดมรรคผลโยมได้ยินบ่อยก็าว่าเก็บอารมณ์เก็บอารมณ์ขนาดมีสัมมณี น, นอยู่รูปหนึ่งพระผู้มีพระภาคยังทรงมีพระชนอยู่พระองค์ยังทราบเลยว่าสัมมณ น, นวันนี้จะทำความเพียรและจะบรรลุ เป็นพระอระหันต์ได้สมณเณรถ้าบรรลุนี่ถือว่าเป็นพระมหาเทระนะเพราะการเป็นมาเทระไม่ใช่นับอายุพรรษาอย่างเดียวใครได้บรรลุก่อนนั่นแหละเป็นมหาเทระก่อนอยู่นานก็คือแก่แล้วบอกฉั้นป็นพี่ใหญ่ก็ยังไม่ใช่ในธรรมวินยัยการเคารพ พระพุทธเจ้าให้เคารพธรรมมากแล้วก็ต่อมาก็เคารพการมีพันษาสมนเนนเนี่ยในเช้าตรู่เนี่ยเข้าเดเรมิปั ส, สนาองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาครู้เลยว่าวันนี้สมเนเนจะบรรลุแต่ มีข้อแม้ว่าต้องไม่มีสิ่งใดไปรบกวนด้วยนะมิฉะนั้นแล้วจะถูกขัดขวางได้โยมเชื่อ ไ, ไ้ยแม้แต่พระพุธทธเจ้าเองอยังต้องไปโปรดเพื่อไม่ให้มีสิ่งใดมารบกวนสัมมณเดนนิคณะเจริญวิปัสสนาไม่ให้ใครเข้ามาเลยจนถึงแม้แต่กระทั่ง เสียงนกจะไม่ให้มีสัตว์มากวนด้วยซ้ำไปยมดูถึงขนาดนี้นะม่น่าถึงเวลาพวกสัตว์แม้สัตว์สัตว์ตเดรัจฉานเวลาที่จะเกิดเกิดลูกไม่รู้สัตว์เขาใช้ว่าคลอดลูกหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ใช้ว่าเกิดแล้วกันมันยังหาที่มงุงที่ปิดที่บังที่หลีกเร้น เพื่อปกป้องในระหว่างที่เขาเกิดไม่ให้สิ่งใดมาทำลายแต่นี่สูงกว่ามากองค์สมเด็จพระพุทมีพระภาครู้ด้วยนะแล้วก็ตรัสห้ามด้วยรู้สึกจะพระสารีบุตรเดินมาด้วยมบอกท่านสารีบุตรอย่าเพิ่งเข้าไป สมณเณรกำลังอบรมวิปัสสนาจะได้บรรลุความเป็นพระอระหันต์เธอจะเพิ่งเข้าไปสำคัญแสดงว่าในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อถ้าไม่มีอะไรเข้าไปขวางมันเกื้อกูลได้เยอะมากเลยฉะนั้นพวกเราบางทีเรื่องกรรมวิปาก มันเป็นตัวขวางนะโดยเฉพาะกรรมที่มีทายาิเผ่าพันธ์เนี่ยโอ้ยแต่มาเคยเห็นแม่ก็เอาเอาลูกมาแม่ก็มานั่งฟังธรรมนั่งสมาธิลูกก็วิ่งจากไหนไม่รู้กระโดดใส่คอเลยตั้มตั้มอยู่งั้นแม่ก็นั่งถูกโยกอยู่ตลอดแต่มาก็คิดว่าคงไม่ไปไหนเหมือนกันแหละนะ พอรบกวนออกมาก็ลืมตาบอกอย่าลูกแม่นั่งสมาธิอยู่เห็นไหมหรือบางทีโยมนั่งอยู่ภาวนาถ้ามันมีอกุศลจิตเกิดในมโนทวารมาปรากฏอยู่นั่นคือจิตจะบอกมารแทรกก็ได้นะถูกก่อกวนก็ได้ถูกขัดขวางก็ได้เพราะคำว่ามารคือผู้ขวาง เราไม่ได้หมายถึงามานคือตาถลุนมามีไม้กระบองมีเขี้ยวงงยาวมาก็ไม่ได้หมายถึงอย่างนั้นตลอดแต่มานคือผู้ขวางกั้นมักผลยมใช่ว่าเอกลาบก็เป็นมานดอกไม้สวยๆก็เป็นมานได้ถ้าเราไปเคลิบเคลิมมากเกินนะ ไม่ได้ไม่ได้สวยแต่ยติดฤทธิ์มีแต่ ย, ย่าหลงเชยชมได้แต่ยติดใจพอใจได้แต่อยาหลงไหลมันจะต้องมีสติคอยคอยเตือนคอยประคองคอยประคองประคองเตือน เป็นระยะระยะระยะไม่อย่างนั้นถ้าเราเนี่ยถ้าเราทุ่มไปทั้งตัวไม่ได้ไม่ได้แสดงว่าวิปัสสนาของเรามันไม่ต่อไม่ต่อเนื่องไม่ตลอดสายเห็นไหมไม่ต่อเนื่องไม่ตลอดสายเอาน้ำขาดหยดน้ำขาดจ่ายน้ำขาดแม่น้ำแห้ง จะมาจับคําหนึ่งที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคตรัสยาหยุดอยู่ด้วยกุศลแสดงว่าเราเนี่ยหยุดไม่ได้นะยาหยุดอยู่ด้วยกุศลใครที่สร้างกุศลอยู่วันไหนหยุดเหมือนไม่ได้อับน้ําไม่ได้ล้างหน้าไม่ได้แปรงฟันไม่ได้กินข้าวไม่ได้ขับถ่ายมันเหมือนกับชีวิตมันไม่ได้ ต่อชีวิตไปฉะนั้นคนที่บรรลุคุณธรรมชั้นสูงจะมาแลเห็นว่าท่านไม่หยุดด้วยการเจริญในกูศลและไม่หยุดด้วยการเจริญเรื่องของสติและการพิจารณาธรรมไม่มากก็น้อยแม้เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งไม่แน่ท่านอารักษาศีลตอนนี้การเก็้อกูล ก็คือการรักษาศีลท่านก็รักษาศีลดยปกติอยู่แล้วแต่พอถึงเวลาที่ต้องให้เข้มเมื่อมีสิ่งมากระทบสติท่านต้องมากขึ้นและท่านรู้ว่าท่านอยู่ในศีลท่านต้องไม่ละเมิดศีลตรงนี้เรียกวาเจตนาของการรักษาศีลอันนี้สงมากนะไม่ใช่นอนหลับออกนั่นคือการรักษาศีลไม่ใช่หมายความว่าไม่ทาอะไรคือเรามีศีล น, นะ ฉะนั้นเด็กเพิ่งเกิดก็มีสิ่งไม่ใช่เด็กเพิ่งเกิดก็บรรลุบริสุทธิ์ไม่ได้หมายถึงอย่างนั้นหมายถึงว่าเมื่อมีสิ่งใดมันต้องมีเจตนาเป็นตัวตั้งอย่างโยมมาปฏิบัติฟังธรรมโยมต้องมีเจตนาแล้วขันติจะมีหรือไม่เนี่ยอยู่ที่ว่าเราเมื่อปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ย เราอดทนอดกลั้นใจของเราได้แค่ไหนอย่างที่บอกว่าถ้าสมมติว่ามันเกิดนิมิตขึ้นมาเวลานั่งภาวนาอยู่ น, ยนั่งภาวนาภาพเก่าๆสิ่งเก่าๆเรื่องเก่าๆอะไรทั้งหมดมีของเก่ามาแลกมาขายเงี้ยมันเข้ามาหรือเรื่องไม่ดีก็ได้เข้ามา นั่นคือมารไหมเป็นนะขันห้าเป็นมารไหมเป็นพวกเราเคยได้ยินว่าขันธรมารที่นั่งอยู่เนี่ยนะพวกเรานั่งอยู่กับมารด้วยนะขันธมานโอบ้บางคนกาลังปฏิบัติดีดันมาป่วยสช่เป็นหอย่างมันขวางแล้ว เจ็บปวดไปทั้งตัวธาตุไฟขึ้นแทรกสูงมากจะมานั่งภาวนาเดินก็ไม่ได้โซเซการทรงตัวก็ไม่ดีนี่ขันเป็นมานะเขาไม่เกื้อกูลมันกับเรือที่รั่วมันจะข้ามฝั่งได้ไหมนาะมันจะถึงฝั่งหรือไม่เห็นไหมฉะนั้นในขณะร่างกายเราแข็งแรงดีๆเนะี่ย ยมอย่าประมาทอย่านึกว่าเราจะไม่แก่และอย่าคิดว่าเราจะมาปฏิบัติเอาตอนว่างอายุเราหกสิบเราว่างแล้วเราค่อยมาภาวนาถูกหลอกอย่าไปเชื่อทําได้รีบทําปฏิบัติได้รีบภาวนาไปอย่างน้อยเขาเรียกว่า ให้จิตเกิดกุศลแล้วก็เจตนาของเราเราต้องตั้งให้มั่นนะเจตนามันก็เหมือนอธิษฐานอธิษฐานบา ร, รมีคือมีใจที่ตั้งไว้บางคนบอกฉันจะมาเก้าวันเจ็ดวันสิบห้าวันเดือนสามวันสองวันโอ้พอนั่งเจอเวทนาเข้า ลืมตามองขวามองซ้ายหาพี่เลี้ยงแล้วนะเอาไงดีขยับก้นกกขวากกซ้ายก็ปวดไปหมดแล้วขยับขาขยับแข้งก็ตะคิวเหน็บกินหมดแล้วฉันจะไปดีไม่เนี่ยฉันว่ามักผลไว้คุยทีหลังฉันมีธุระด่วนใช่แล้วนะใช่ไหม นั่งกรรมาฐานเปิดมือถือเนี่ยรอสายเข้ามันก็นไม่ใช่แล้วปิดก่อนปิดปิดโยมเจริญวิปัสสนากรรมาฐานนั่งรอมือถือไม่ใช่ดูสมัมนมนีโอพระพุทธเจ้านี้กันหมดเลยเดือวร้อนถึงเทพทยด า, ยนาในทิศทั้งสี่ต้องมาคอยเขาเรียกว่าคอยอารักขา ไม่ให้มีนกแม้แต่ตัวเดียวมีเสียงรอดเข้ามาณเวลานั้นโอ้ยงคิดเลคิดเลอันนี้ของเรานั่งหลับตาเปิดมือถือรอเนกํลลังจะภาวนาพลจิตเริ่มทำท่าจะดีหน่อยกิ๊กกิ๊กเอาแล้วโทรศัพท์ เออรับดีมารับดีคิกคลิกๆลิกคลรอบสองมาแล้วรับก็รับพอรับเสร็จกลับบ้านด่วนควายกําลังจะค่อนลูกเอ้าเรื่องด่วนเดินแล้วต้องรีบอีกมันมีเรื่องเห็นไโยมแต่ถ้าเราภาวนาจริงๆนะโยมต้องตัดเรื่องปริพอดแต่ามาบอกเอกลาบก็เป็นมานได้เป็นนา เพลโยมนั่งภาวนามันมีแต่ธุรกิจเข้ามาในหัวหมดเลยจิตมันยังวางไม่ได้มันยังวางไม่ได้แสงว่าเราฟุ้งมาแล้วจากจากข้างนอกแล้วเราก็มาบำเพ็ญข้างในจิตเราแต่เพียงว่าเวลาของเรามันยังน้อยจิตยังไม่ทันนิ่ง จิตยังไม่ทันนิ่งยังไม่ทันแนบสนิทยังไม่ดิ่งลงเป็นสมาธิหรือวิปัสสนาญาณยังไม่เกิดญาณขึ้นมาการอบรมอะไรจิตมันก็ยังไม่น้อมตามบางคนพิจารณาจิตไม่น้อมตามนึฟุ้งนะคนที่ภาวนาฟุงฟ้งๆนะจิตมันไม่ตามบอกไปเลยถ้าจิตตามไม่ฟุง้งไม่ฟุง้ง สบายเวทนาขันเกิดรู้นิ่งสงบสัญญาขันเกิดรู้นิ่งสงบสังขารขันเกิดรู้นิ่งสงบวิญญาณขันเกิดรู้นิ่งสงบทุกอย่างเป็นสภาพรู้คือรู้กายรู้เวทนารู้สัญญารู้สังขารรู้วิญญาณจนย่อคือรู้กายรู้จิตพอรู้สนิทแล้วจิตมันวาก จำให้ดีนะพอรู้กายรู้จิตรู้สนิทและจิตวางนั่นแหละหนทางที่จะไปสู่มรรคผลนิพพานไม่งั้นไปไม่ได้เย็นกายเย็นจิตเย็นสนิทนั่นแหละคือจิตที่วางลงแล้วเช่นกว่าเราจะเจอทำสักข้อหนึ่งบางครั้งนะโอต้องเอาความเจ็บ หลายร้อยชั่วโมงนะกว่าจะดูจิตออกเอาความคิดหลายร้อยชั่วโมงกว่าจะคิดออกบางทีเอาขันติบารมีตั้งหลายร้อยชั่วโมงกว่าจะพบคำว่าขันติบารมีสิ่งเหล่านี้เราต้องรู้ด้วยจิตของเราเองอย่างรู้จํารู้จดพอไม่อ่านบทเดี๋ยวก็ลืม แต่ถ้ารู้ละรู้วางจิตตรงนั้นแหละเขาเรียกรู้ในอารมณ์มันจบง่ายๆฉะนั้นยิ่งภาวนาไปเราจะแยกได้ว่าความรู้กับสภาพรู้และยานแห่งวิถีจิตที่รู้เนี่ยมันจะมีความแตกต่างโดยความละเอียดปั่นกลางและอย่างหยาบอย่างเรารู้แบบสัญญา นี่หยาบๆนะที่เขามีตั้งแต่สุตะมะยปัญญาจินตมยปัญญาจนถึงภาวนามยปัญญาโอ้ขั้นขั้นภาวนาไม่ธรรมดาไม่ธรรมดานะในระดับขั้นภาวนาอย่างองค์สมเด็จพระพุทธมีพระภาคพอรู้ถึงในสุดท้ายของยามสามแล้ว ภาวนาจนถึงอัศวคั ย, ยานมันเหมือนกับว่าโลกทั้งใบใจทั้งดวงชีวิตทั้งชีวิตสบสิ่งทั้งหมดมารวมเป็นสัพพัญยุตยานให้รู้ตื่นแจ้งเบิกบานและเข้าถึงสัจจะความจริงที่จิตยูนเนือ้อการปรุงแต่งพระองค์จริงประกาศว่าเราเป็นผู้ยูนเนือ ความเกิดแล้วเราจะไม่เกิดความเกิดนี้เป็นชาติสุดท้ายโอ้ทินสุดเลยพยามารฟังนี้เต้นเลยมีใครหลุดมือไปอีกแล้วหนึ่งพยามารก็จะร้อนใจมากยมจํานะใครที่ยืนเหนือความเกิดได้พยามานเขาจะเสียใจมากไม่ว่านางราคะนางอรดีนางตันหา เขาให้เราชุ่มเหมือนอยางเหนียวให้เกือกลัวอยู่กับกามโอคะเขาจะดีใจว่าเรายังไม่พ้นเรายังไม่พ้นเนื้อมือของเขาแต่เมื่อไหร่นางตันหานางราคะนางอรดีหรือนางราคะก็ตามเขาไม่สามารถที่จะปรุงให้จิตเกิดในกามโอคะได้ เขาจะหมดสภาพทันทีเลยและเขาไม่มีอำนาจอีกเลยที่องค์สมเด็จพระพุ้มีพระภาคได้แสดงว่าเราได้ทำลายเรือนท่านแล้วโรงเรือนของท่านเราได้รื้อไม่ว่าจะเป็นจั่วเสมุกนาบันหลังคาเสาคือแปรเราได้รื้อทิ้งเสร็จแล้ว ท่านจะมาสร้างเรือนใหม่ไม่ได้อีกแล้วเหมือนกับมาสร้างความเกิดในให้พบอีกไม่ได้ไม่ได้ไไดนะนะโยมเราดูจิตไปภาวนาไปเหมือนนางรูปนันธาภิษุณีอยากเคยติดรูปพอใจในรูปในรูปสาวรูปสวยผิวขาวผิวสวยสุดท้ายนางก็ได้บรรลุ แล้วก็ไม่มีความทุกข์ร้อนในเอ็นหนังกระดูกความแก่ความสาวอีกเลยเรากำหนดไปภาวนาไปที่รรมาบอกจิตที่เป็นธรรมชาติไม่ถูกปรุงแต่งอยู่เหนือทุกทั้งปวงจริงจิตเมื่อไม่มีการปรุงแต่ง โลภโกรธหลงก็ไม่เกิดมันก็เกิดเพียงผัสสะที่กระทบกันเป็นไปตามเหตุแล้วก็ดับไปตามเหตุแต่ใจนั้นไม่ถูกย้อมไม่ปรุงจึงใช่ว่าธรรมชาติจิตที่ไม่ปรุงมันเป็นอิสระอยู่เหนือทุกได้นอกนี้ไม่มีทางที่จะเหนือได้เลย กำหนดไปดูไปก็คอยยุติในการบรรยายแต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร